วิธีโต้อตอบกับสถานการณ์ที่ไม่ให้โอกาสคิดนานสะท้อนตัวตนอันเป็นปกติของเราได้อย่างชัดเจนทวนกระแสกรรมเก่านิสัยเสียคืออาจินกรรมที่สั่งสมไว้แกอนิสัยเสียได้ข้อหนึ่งได้บุญมากกว่าตรเวนทำบุญร้อยวัดเสียอีกกรรมทำบ่อยจะกลายเป็นนิสัย นิสัยจะเป็นตัวกำหนดสภาพจิตสภาพจิตจะเป็นผู้ก่อพบใหม่สังสมนิสัยหรืออีกนยายยะหนึ่งอาจจินนกรรมมาเช่นไรใจก็มีลักษณะ ส, สอดคล้องตามนั้นใจมีลักษณะเช่นใดก็มีแนวโน้มจะก่อกรรมที่สอดคล้องตามนั้นนิสัยจึงเป็นเส้นทางกรรมชีวิตโดยตรง ลองคิดดูว่าถ้าคนเปลี่ยนนิสัยที่เสียที่สุดได้เส้นทางชีวิตจะหักเหสักบานใดคนมีความตรนีอาฆาตมาตรายเก่งจู่ๆจะให้เปิดใจเป็นทานมีความเสียสละมีใจอภัยง่ายย่อมเป็นของยากแต่ก็ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่ยากคนมักง่าย ทำตามความพอใจก่อนคิดจู่ๆจะให้สารวมตนอยู่ในศีลมีกายวาจาใจอันซื่อสะอาดย่อมเป็นของยากแต่ก็ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่ยากคนหล่แลโลเลททำอะไรจับจดเกียกรคร้านเป็นนิดจู่ๆจะให้นั่งสมาธิมีความหนักแน่นรวมดวงเป็นหนึ่งย่อมเป็นของยากแต่ก็ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้แต่ยากคนคิดน้อยไปหรือคิดมากไปจู่ๆ จ, จะให้ใช้กำลังจิตดูสภาวะธรรมในตนตามจริงเห็นทุกสิ่งทั้งนอกและในเป็นไตรลักษณ์ย่อมเป็นของยากแต่ก็ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้แต่ยากนี่เป็นเรื่องของความเคยชินความสั่งสมนิสัยหรืออาจินกรรม การเปลี่ยนนิสัยการเปลี่ยนความเคยชินของคนคนหนึ่งไม่ใช่ด้วยการไปพูดสอนหรือว่าแม้กระทั่งไปตักเตือนหรือว่าให้สติชั่วครั้งชั่วคราวไม่มียาล้างสมองที่ไหนไม่มีวิธีการใดไม่มีอุบายที่ล้ำเลิศแค่ไหนก็ตามไปเปลี่ยนแปลงใครเขาได้นอกจากเขาจะมีความเต็มใจมีความเห็นโทษในพฤติกรรมแบบเดิมและก็มีความเห็นคุณค่าของพฤติกรรมแบบใหม่ มีอยู่อย่างเดียวที่จะทำให้คนเราเกิดกำลังใจเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ก็คือได้เชื่อว่ากรรมและวิบากมีจริงได้เข้าใจความจริงว่าอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญปีนี้สั่งสมไว้อย่างไรอีกสิบปีข้างหน้าก็รับอนิสงส์งสอดคล้องตามนั้นและตลอดชีวิตนี้สังสมไว้อย่างไร ชีวิตหน้าก็จะเป็นทายาตรับผลที่สร้างทำไว้เป็นมรดกต่อไปการเปลี่ยนนิสัยการเปลี่ยนความเคยชินจริงๆเปลี่ยนได้แต่นานหน่อยอํานาจความเคยชินจะเหนือกว่ากำลังใจปกติต้องใช้กำลังใจเกินธรรมดาและต้องสะสมความเคยชินกันใหม่นานเดือนหรือนานปี ถ้าหากไม่มีความพยายามเปลี่ยนแปลงในชาติใดชาติหนึ่งก็เหมือนสร้างกฎสร้างนิยามขึ้นมาขังตัวเองอยู่ในอัตภาพอยู่ในลักษณะความเป็นเช่นนั้นอีกและอีกถ้าสำรวจตัวเองจริงและเอาจริงคุณจะพบว่ากำจัดนิสัยเสียสำเร็จอย่างเดียวได้บุญกว่าตรรเวนทำบุญร้อยวัดเสียอีกนิสัยเสียหายไปนหนึ่งิสัยดีมากมาแทนเป็นสิบ คนเราจะเริ่มอยู่เหนือดวงชะตาก็เมื่อมีใจคิสละสิ่งที่ห่วงไว้แบบผิดผิดทิ้งไปด้วยปัญญาเพ่งเล็งเห็นโทษก็จะเหมือนทวนกระแสกรรมเกา่าไปหาทิศทางใหม่ที่ดีขึ้นทีละครั้งทีละหน